ท่านผู้ฟังที่ได้ฟังรายการธรรมะไม่ว่าจะจากทางคลื่นใดๆก็ตามมาได้สักระยะหนึ่งมีการใคลกครวนพิจารณาอ่านหนังสือธรรมะตรงนั้ น, ต ร, น, นตรงนี้มาบ้างแล้วคงจะทราบดีว่าในการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยเราสามารถทำได้ในทุกๆ ท, ที่แต่นนแน่นอนว่าเรื่องของการทำเป็นรูปแบบ นื่งสมาที่หลับตาไปที่วัดบ้างไปตามสถานปฏิบัติธรรมต่างๆบ้างอะไรก็เป็นการปฏิบัตธิธรรมในรูปแบบหนึ่งอะไรก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบและแน่นอนว่าการที่เรานำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจําวันเช่นการที่ไม่ด่ากันไม่ว่ากันการที่มีการรู้จักเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนร่วมท้องถนนบ้างกระเพื่อนร่วมงานบ้างหรือว่าการรู้จักรักษาศรรษีลพวกนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วทั้งสิน้น เราปฏิบัติเอามาใช้ในชีวิตประจําวันนำธรรมะนั้นให้มาอยู่ในกว่ากระบวนการในชีวิตของเราให้ธรรมะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่เฉพาะชีวิตที่อยู่ที่วัดด้านเดียวแต่ยังรวมถึงชีวิตที่อยู่ที่ที่ทํางานด้วยชีวิตที่ที่อยู่ที่ครอบครัวด้วยชีวิตที่ที่เดินทางด้วยในทุกๆด้านของชีวิตอันนี้ชื่อว่าเรามีการปฏิบัติธรรมแล้วเราธรรมะมาใช้งานนั่นเอง ก็คือการที่เราปฏิบัติธรรมการที่เราเอาธรรมะมาใช้งานในด้านต่างๆของชีวิตเอาธรรมะมาทําเอาธรรมะมาปฏิบัติการปฏิบัติต ร, ตรงนี้ที่ว่าเราเดินตามเส้นทางและทางนี้ก็คือมักหมายถึงว่าทางเส้นทางที่จะไปไปสู่ความสุขที่จะเป็นสุขอันกเกษมตรงนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการมาทําความเข้าใจกับท่านบูฟังว่าเราปฏิบัติธรรมไปในเพื่อความสุขที่เป็นกเกษม ในระหว่างทางที่เราปฏิบัติไปนี้เราอาจจะเจอความสุขบ้างเราอาจจะเจอความทุกข์บ้างซึ่งแน่นอนสุขสุขระหว่างทางที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยก็รียกว่ายังไม่ใช่สุขที่กเกษมมันก็ยังมีสุขที่กเกษมกว่านั้นแต่สุขระหว่างทางที่เรามีการปฏิบัติธรรมไปกับทุกข์ระหว่างทางที่เราใช้ชีวิตดำเนินชีวิตของเราไปเนี่ยมันมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราจึงจะต้องมาทําความเข้าใจตรงนี้ว่า ไม่ใช่เวลาที่เราเจอความสุขในชีวิตตรงนั้นหมายถึงความที่ชีวิตเราโชคดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าตอนที่เราเจอทุกขเวทนาในชีวิตตรงนั้นจะหมายถึงความโชคร้ายก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าในชีวิตของเรามีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์ความสุขไม่ใช่หมายถึงความโชคดีความทุกข์ไม่ใช่หมายถึงความโชคร้ายแต่มันหมายถึงอะไรกันแน่บางคนมีความคิดว่าฉันเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง กรรมชั่วเข้าให้ผลซึ่งแน่นอนว่าทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่มันมีผลเป็นความเจ็บแสบเป็นความปร้อนเป็นความไม่น่า ย, ยินดีเป็นความขมเป็นความไม่อร่อยเนี่ยมันน่า จ, จะเกิดจากเรื่องของ ก, กรรมก็ได้แต่ที่ว่ากรรมชั่วให้ผลเป็นความทุกข์อันนี้มีได้อาจจะเกิดจากเรื่องของดินฟ้าอากาศก็ได้เหมือนกันอาจจะเกิดจากเรื่องของสุขภาพ อาจจะเกิดจากเรื่องของการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอซึ่งถ้าเราจะเหมารวมว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉนันันเป็นเพราะเรื่องกรรมเก่าอย่างเดียวอันนี้จะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้่เพราะมันเป็นเหตุปัจจัยกันมาได้สิ่งที่พราพุทเจ้าต้องการจะพูดในที่นี้สำหรับนักปฏิบัติธรรมก็คือว่าเวลาที่มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วแ ล, แล้วถ้าเผื่อสิ่งนั้น เป็นผลของกรรมไม่ดีเป็นผลของกรรมชั่วที่เราไเคยทำมามันให้ผลเป็นความทุกข์ความเป็นร้อนในตอนนี้เราจะต้องคอยระวังจิตใจของเราในสถานะตรงนั้นตรงนั้นให้อย่างดีแตเดียวเพราะว่าสาหรับนะักปฏิบัติธรรมเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีเครื่องทดสอบหนบททดสอบที่จะมาทดสอบจิตใจของเราหนบททดสอบที่จะมานั้นแน่นอนเลยฟันตรงให้ได้ จะมาในรูปของภาษาที่ไม่น่าพอใจนี้อย่างหนึ่งเวลามีภาษาที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นแล้วให้ผลเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์เป็นทุกขเวทนานะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราจะต้องรักษาจิตของเราอย่างดีไม่ให้จิตของเราตอบสนองในลักษณะที่จะเป็นการสร้างกรรมชั่วขึ้นไปอีกเพราะแน่นอนไอ้กรรมชั่วที่เราเคยทํามาเนี่ยมันให้ผลมาเป็นความทุกข์ความเป็นร้อนในตอนนี้แล้วถ้าเรายิ่งตอบสนองด้วยความไม่พอใจ ความขัดเคืองความเครียดแค้นความผูกโกรธความมักโกรธโอ้ยจริ่ ง, งสร้างกรรมชั่วมากขึ้นและมากขึ้นอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีนนดเราจำเป็นที่จะต้องรักษาจิตของเราไว้ให้อย่างดีโดยที่ไม่ให้จิตของเรามีความยินร้ายเพราะว่าความยินร้ายที่เกิดขึ้นมันก็จะนำจิตของเราให้ไปคิดในเรื่องที่ไม่ดีเป็นความพยาบาทเบียดเบียนผูกโกรธเป็นความหงุดหงิดเลอะเลอะไปพูดชั่วต่อไปอีกาดา่าทอว่าร้าย เพลิไปทําการกระทําทางกายยที่เป็นการลักขโมยเป็นการฆ่าเป็นการทำร้ายเป็นการทุบตีอันนี้ไม่ได้เราต้องรู้สักรักษาจิตของเราไม่ให้มีความยินร้ายในทุกเวทนาในผัสสะที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นนั้นเราต้องระวังรักษาจิตของเราให้ดีตรงนี้เพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นการยิ่งสั่งสมบาปสั่งสมกรรมชั่วเอาไว้อีกเราไม่ต้องการสิ่งไม่ดีในชีวิตของเราก็อย่าสร้างสิ่งที่ไม่ดี ในเป็นกา ร, รชั่วเกิดขึ้นต้องระวังเราจะมีความไม่ยินร้ายในภาษฐะที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างไรสติแต่ละฝั่งต้องตั้งมั่นเอาไว้เลยสติต้องรักษาจิตของเราอย่างดีด้วยสติจอเอาไว้เลยนตตื่นเช้ามาตั้งเอาไว้เลยสติเน่าไม่ให้จิตของเราเนี่ยมันไปคล้องแวะไปรลึกถึงหรือมีจิตโน้มไปในทางที่จะเป็นความพยาบาทมันเป็นผลของความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้น Umn. ไม่ให้จิตของเราไป ate, ะะมีความผูกโกรธความมักโกรธความฟุ้งซ่านที่เป็นผลของผัสสะที่เป็นทุกข์จะต้องตั้งสติเอาไว้รักษาสติของเราให้ดีความทุกข์เกิดขึ้นได้แต่รักษาสติของเราให้ดีเราตั้งสติขึ้นเราจะเห็นไอ้เจ้าสิ่งที่มากระทบไอ้เจ้าผัสสะที่ไม่น่าพอใจนี่แหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้เรามีสติตั้งขึ้นเห็นผัสสะที่ไม่น่าพอใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้แล้ว เราจะมีความไม่ยินร้ายในสิ่งนั้นได้ตรงนี้ต้องอาศัยความอดทนด้วยังอดทนได้มากๆอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากี่เป็นลักษณะของสัตว์อาชาในอย่างหนึ่งด้วยมังเป็นสัตว์ที่จะมีความอดทนต่อสิ่งต่างๆที่จะมากระทบได้เช่นเดียวกันคนที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีเป็นผู้ที่ประเสริฐแล้วฟังคาสอนของพุทธะอยู่ก็ทำตัวให้มีความเป็นอาชาใน ทำตัวให้มีความเป็นผู้ที่อดทนต่อสิ่งที่อดทนได้ยากนี่คือลักษณะของผู้ฟังคําสอนในธรรมไว้ไหนนี้ในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันนะผู้ฟังในทางตรงกันข้ามเราเจอ菩ะที่เป็นสุขถ้าเราเจอเสุข เ, เ, เวทนาหรือ菩ะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นที่ตั้งของความสุขเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ากรรมดีที่เราเคยทํามาเป็นบุญเนี่ยมันกําลังให้ผลมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ มันอาจจะเป็นเหตุแห่งอุตุแต่เหตุแห่งดินฟ้าอากาศอากาศมันเย็นสบายดีเราก็มีความรู้สึกที่เป็นสุขอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของกรรมดีที่ให้ผลเสหน่อยหรือมันอาจจะเกิดจากการที่เราเตรียมตัวมาอย่างดีอาจจะเกิดจากลักษณะของร่างกายของเราแที่ให้ผลเป็นความสุขที่เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถึงแม้ว่าความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตของเร า, า จ, จะเป็นเงินทองที่มีมากขึ้น อาจจะเป็นความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทางตาทางหูอาจจะเป็นการที่ได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับโบนสัสมีชื่อเสียงได้รับการนับหน้าตือตาขึ้นมาพวกนี้เป็นปัจจัที่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขทั้งสิน้นซึ่งมันอาจจะเกิดจากการที่กรรมดีที่เป็นบุญเนี่ยที่มันจะให้ผลเป็นความหวานความชุ่มฉ่ำเป็นความหอมเป็นความรื่นรมในชีวิตของเราอาจจะเกิดจากสิ่งนี้ก็ได้ แน่นอนว่าความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรามีขึ้นในชีวิตแล้วและถ้ามันเป็นผลของกรรมดีถ้ามันเป็นผลของบุญกุศลที่เราได้เคยสั่งสมไว้ทําไว้ทําให้ได้ผลเป็นรสหวานรสชุ่มฉ่าในตอนนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นนะอาจจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราต้องรีบยิ่งสร้างบุญเสริมเข้าไปเพื่อให้มันได้เป็นผลที่มีความหวานความชุ่มฉ่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปตรงนี้เราต้องแยกแยกให้ดี ถ้าเผื่อว่ามีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสุขมีภาษาอันเป็นที่ตั้งให้ความชอบใจพอใจได้รับเลื่อนตำแหน่งมีเงินมากขึ้นประสบความสุขในชีวิตด้านใดด้านหนึ่งถ้าเผื่อว่าเราเลิดเพลินกข้ไปเราลุ่มหลงเรากำหนัดยินดีมีความยินดีมีความพอใจในสิ่งนั้นนั่นเป็นบาปนั่นเป็นบาปนั่นเป็นการสร้างบาปนะครับเพื่เป็นการสร้างสิ่งที่ไม่ใช่บุญ เปนการที่เราเพลิดเพลิน เ, เคลื่อหลงไปพอเป็นอย่างนี้แหมบุญที่มันให้ผลเป็นความสุขเป็นความหวานเป็นความชุ่มช่าเนี่ยมันก็ให้ผลไม่เต็มที่อันนี้เป็นไปได้นะเป็นไปได้เพราะเวลาที่บุญเขาให้ผลเนี่ยมันให้ผลผ่านทางพัสะผ่านทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจของเราแล้วถ้าจิตใจของเรายังคงความเป็นบุญได้อยู่มีส ต, ติตั้งเอาไว้พูดดีคิดดีทําดี ได้เงินมากขึ้นมีตําแหน่งมีชื่อเสียงก็ไม่ด่าคนไม่ว่าคนแต่เป็นคนที่ยังจิตใจทรงไว้มีความเมตตาไม่ลุ่มหลงไม่เห่อเหิมไม่มีทิฐิไม่ถือตัวแต่เป็นคนที่มีสติตั้งเอาไว้ไม่เพลิดเพลินไม่ลุ่มหลงแต่รู้จักเสพรู้จักใช้รู้จักแบ่งจ่ายรู้จักระวังในโทษของมันที่จะเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นบุญที่เกิดขึ้นในจิตของเราเวลาจิตใจของเราที่เป็นบุญเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ย กรรมดีที่เข้าให้ผลนั้นก็จะให้ผลเต็มที่ในทางตรงกันข้ามทั้งสองฝังถ้าเผื่อว่าจิตใจเรามีบาปก็ามากลือกล้วอยู่ในกรรมดีที่กำลังให้ผลเป็นความหวานความชุ่มฉ่าอยู่นี้จิตใจกลับมีการมัวเมาเลิ่อเปลินลุ่มหลงมีความตรณีเป็นต้นเนี่ยสิ่งที่จะให้ผลเป็นความหวานความชุ่มฉ่าของกรรมดีที่เราได้เคยสร้างไว้สร้างไว้มันก็จะให้ผลไม่เต็มที่ พอให้ผลไม่เต็มที่ให้ผลน้อยให้ผลแบบหยอดๆใหญ่ๆ ใ, ใ, ใ, ให้ผลเป็นขยักขย่อนแต่มันก็ได้ไม่สุดได้ไม่เต็มวิธีที่เราจะไม่เพลิดเพลินไม่ลุ่มหลงในพัชชะอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีความพอใจในสุขเวทนาที่เกิดขึ้นนี้คือเราจะไม่ยินดีในความสุขนั้นได้จิตเราก็ยิ่งต้องตั้งสติเอาไว้เํามฟัง ต, ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา สติ isty, นี้จะเป็นตัวที่จะรักษาจิตไม่ให้จิตนั้นเข้าไปเกลือกลั้วเข้าไปยินดีในภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขไม่ให้จิตเราเข้าไปเกลื้อกลั้วยินดีในเงินทองที่เกิดขึ้นไม่ให้จิตเราเข้าไปเกลือกลั้วยินดีในลาบสการะเสียงสรเสริญเยินยอยศตําแหน่งที่เกิดขึ้นนั้นเพราะนั่นจะเป็นบาปแต่จิตที่มีสตินั้นเป็นบุญความเข้าไปเกลือกลั้วยินดีในสิ่งที่น่าพอใจนั้นเป็นบาป ความที่เรามีสติตั้งขึ้นไม่เกลื้อกลัวไม่ยินดีในสิ่งที่เป็นความสุขนั้นเป็นบุญสิ่งที่เป็นบุญที่เกิดขึ้นในจิตของเรานี้จะรักษาจิตของเราให้มั่นคงมีความไม่เอียนเอ็นผ่อนตามไหลไปในทางต่ำจิตที่เป็นอย่างนี้ก็จะป้องกันไม่ให้มีความตรณีด้วยเพราะความตรณีเนี่ยก็เป็นผลของความเพลิดเพลินหลงไหลรุ่มหลงในความสุขลุ่มหลงในลาบสการะเสียงสรรเสริญเยิยนยอที่เกิดขึ้นนะมันมี แล้วเราลุ่มหลงมันก็ไม่อยากเสียไปไม่อยากเสียไปก็มีความเหนียวแน่นจัดนั่นะเป็นความตระหนี่เอาเราพยายามที่จะกําจัดกระจัดความตระหนี่ซึ่งเป็นผลของความกําหนัดเพลิเพลินบางคนก็กําจัดความตระหนี่ด้วยการให้ทานอันนี้เป็นสิ่งดีเพราะว่าการให้ทานนั้นเป็นบุญแต่เป็นบุญที่เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกที่เรามีเอาเราใช้สิ่งภายนอกในการสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้ดีแล้วมันจะคอยทําความตระหนี่ที่อยู่ในใจนะให้ลดลงไปได้ให้ลดลงไปได้ แต่ความตรรณีนี้มันเป็นผลของความรุ่มหลงเพลิดเพลินยินดีพอใจในความรู้สึกที่เป็นสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อนเรากำจัดความตรรณีได้แล้วดีแล้วหรือยังมีสิ่งที่เราจะต้องทำให้ละเอียดลงไปอีกในเวลาที่เราเจอภาษาที่เป็นสุขไ ม, ม่ว่าจะเป็นคำชมคำยกย่องสรรเสริญชื่อเสียงหรือว่าเงินทองที่มีดีมากขึ้นเราจะกาจัดไอเจ้าความตรรณีเขโดยการให้ทาน เราจะกำจัดเจ้าความยินดีพอใจเพลิดเพลินตรงนี้ก็ด้วยการที่เราตั้งสติขึ้นด้วยการที่เห็นความไม่เที่ยงของมันด้วยการที่เห็นความไม่เที่ยงของความรู้สึกที่เป็นสุขที่เกิดขึ้นนี่แหละเราพยายามที่จะเห็นความไม่เที่ยงได้คุณก็ต้องตั้งสติไว้เพราะบุคคลที่มีสติตั้งขึ้นเอาไว้จะทำจิตนั้นไม่ให้เข้าไปเกลือนกลลุ่มหลงในสิ่งที่พอใจจะทำจิตนั้นไม่ให้ไปขยักขยั่งเกลียดชังในสิ่งที่ไม่น่าพอใจ พอมีสติเกิดขึ้นเจอความรู้สึกที่เป็นสุขก็ไม่เข้าไปเกลือกกลั้วเจอความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็ไม่เข้าไปเกลือกกลั่วเกลือกกลั้วด้วยการยินดีในความรู้สึกที่เป็นสุขไม่เข้าไปเกลืกกลัวด้วยความยินร้ายในสิ่งที่เป็นทุกข์สตินี้ตั้งนไว้เราก็จะสามารถเห็นทั้งสุขและทุกข์นั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้เราต้องตั้งสติไว้ทั้งบฟังต้องตั้งสติไว้เพราะว่าทุกวันในชีวิตของเรา แต่ตื่นเช้ามาจนถึงเข้าไปนอนฝันด้วยบางทีเนาะก็สุขก็มีทุกก็มีชื่อเสียงคนยกย่องก็มีเป็นเงินทองความสําเร็จในชีวิตมีบางทีตอนเช้าได้เสียไปตอนเย็นท่านตาเห็นก็มีเนาสุขและทุกข์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสุขและทุกข์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานี้เราปฏิบัติทําได้อยู่ตลอดเวลาประเด็นมันคือตรงนี้ท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าเราเพลิดเพลินในสุขเราก็ยะขยัไในทุกชื่อว่าโอ้โหเราสร้างบาป ทั้งขาขึ้นทั้งขาลงทุกคุณก็สร้างบาปด้วยความกำนัดลุ่มหลงธรณีทีเหนียวทุกคุณก็สร้างบาปด้วยความที่ขยักขยันเกลียดชังมีใจผูกโกรธมีคนมักโกรธมีอากาตมาก ร, ร้ายไม่ได้เราเป็นนักปฏิบัติตาแต่มะวังเป็นผู้ที่ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องเอาธรรมะมาปฏิบัติต้องเอาธรรมะมาใช้งานต้องเอาธรรมะ ม, ม, มาทรงไว้อยู่ในใจ สุขเราก็สร้างบุญได้ทุกเราก็สร้างบุญได้โดยการที่ไม่ลุ่มหลงในความรู้สึกที่เป็นสุขที่เกิดขึ้นโดยการที่เราไม่เข้าไปยินดีในสิ่งที่เป็นชื่อเสียงเป็นเงินทองเป็นคำยกย่องนับหน้าถือตาเป็นความสุขความสําเร็จในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เข้าไปยินดีเกลือกลัวพอใจในสิ่งนั้นไอความไม่ยินดีไม่ลือกลัวไม่พอใจในสิ่งนั้นนั่นเป็นบุญเป็นสติที่เกิดขึ้นเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิต เป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจเงินหายญาตตายเป็นโรคถูกเขาดา่าถูกเขาใส่ร้ายในเรื่องที่เราไม่ได้ทําจริงนั่นที่เป็นบุญได้สร้างบุญได้โดยการที่เราอดทนโดยการที่เราไม่ทําความโกรธให้เกิดขึ้นโดยการที่เราเจริญเมตตาโดยการที่เราตั้งสติไว้โดยการที่เราอดทนอ ย, อยู่อย่างนี้เจริญเมตตามีสติไม่บียดเบียนเขาสิ่งเหล่านี้เป็นบุญแม้จะเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็าตามเกิดทุกขเวทนาขึ้นก็สร้างบุญได้ กิสุขเวทนาขึ้นก็สร้างบุญได้บุญที่เราสั่งสมสร้างสมเด็จเล็กและน้อยนี่แหละธรรมฟัติมันจะนํามาซึ่งความสุขความสุขชนิดที่มีรสหวานรสชุ่มฉ่าก่อนไปถึงนั้นธรรมบัติต้องระวังระหว่างเวลาที่เรามีความสุขแล้วเราเผลอนั่นเป็นบาประหว่างเวลาที่เรามีความทุกข์แล้วเราเผลอนั่นก็เป็นบาป บาปสั่งสมตั้งขาขึ้นบาปสั่งสมตั้งขาลงระหวังว่าชีวิตมันจะดีขึ้นมันจะเป็นไปในอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะบาปนั้นให้ผลเป็นความทุกข์ความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยความทุกข์ความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยเป็นภาษสาทที่ไม่น่าพอใจอันเป็นผลของบาปกรรมที่เราสั่งสมทีละน้อยละน้อยมันจะไปออกทางที่เราจะทําชั่วทําบาปไปออกทางที่เราจะผิดศีลโกงเขาด่าเข้าใส่ความเขาอันนั้นยิ่งจะทําให้เราต่ำลงไปอีก ตามลงจนถึงต่ําสุดขึ้นละละ น, นรกกาหนดเดราจฉานเปรวิสัยสุดๆไปของสุดๆคืออเวชีมานรกแม้กว่าจะขึ้นมาได้มันนานเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอความสุขเจอความทุกข์ในโลกนี้เราเองมีความสุขปนปนกับความทุกข์บ้างเนี่ยมันดีลาตรงฝังมันยังดีตรงที่ว่าหนะน้าบัดนี้ตอนนี้ยังมีคนมาคอยบอกคอยสอนว่าอ้สุขเราก็สร้างบุญได้ยังมีคนมาคอยบอกคอยสอนว่าทุกข์เราก็สร้างบุญได้ คนที่บอกสอนเรื่องนี้ไว้คือสมณะโคโดมตรรมวังคือพระพุทธเจ้าของเราว่าไอ้สุขไอ้ทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่เราจะทําบุญหรือสร้างบาปสุขและทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วในชีวิตมนุษย์ของเราสุข ก, ก็มีทุกข์ก็มีเราสร้างบุญได้ตลอดเวลาตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญธรรมวังว่าเราอย่าไปเผลอสร้างบาปตอนเราเป็นสุขอย่าไปเผลอสร้างบาปตอนเราเป็นทุกข์บางคนนี่ดีอยู่ไม่สร้างบาปตอนเป็นทุกข์พยายามจะสร้างบุญอันนั้นดี สร้างบุญตอนที่เรามีความทุกข์แม้แต่ทอนทุกข์แล้วมันสร้างบุญเนี่ยมันช้าไปหน่อยไหมอันนี้เขาเรียกว่า mm hmm. เผลอไปนิดหนึ่งตอนมีความสุขไม่ได้สร้างบุญนั้นไปเผลอไปเพลินไปลุ่มหลงไม่ยินดีไปกําหนัดไปมั ว, ม ว, มวเมาเพื่อเพลินตรงนั้นไม่ได้สร้างบุญบุญนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการให้ทานนะบางคนให้ทานด้วยมีเงินมีทองให้ทานดีเหมือนกันแต่เรื่องของความตาระหนี่ได้อันนี้ดีแต่ความตาระหนี่มันยังมีที่ลึกลงไปกว่า น, นั้นอีก คือความเพลิดเพลินยินดีรุ่มหลงเป็นอย่างนั้นแล้วบามันยังมีอยู่นะบามันยังมีอยู่ความไม่ดียังมีอยู่เราก็ต้องสลัดตรงนั้นออกไปเนะ่ยไม่ใช่เฉพาะทําดีตอนที่เราเจอความทุกข์แต่ตอนที่เราเจอความสุขก็เผลอเลิืมไปอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอันนี้คือ ย, ยังดีขึ้นกว่าบางคนแต่คือบางคนมีลักษณะที่ว่าเจอภาษาที่เป็นทุกข์ก็ทําชั่วเจอภาษาที่ mummy. เป็นสุขก็ทําชั่วอันนี้สองต่ออันนี้ไม่ดีเลยบางคนดีขึ้นมาหน่อย แต่เจอพรรษาที่เป็นทุกข์ก็มันสร้างบุญสร้างกุศลให้ทานด้วยจเจริญภาวนาด้วยรักษาสติตั้งสติไว้ด้วยแต่พอมาเจอสิ่งที่มีความสุขชีวิตเริ่มดีขึ้นเอากลับลืมไปเพลอไปเอาระก็พัฒนาขึ้นไปอีกให้ไปถึงกันที่3ามเด็คือทั้งสุขและทั้งทุกข์เราสามารถทําความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ไอการที่เราเจอเรื่องที่เป็นสุขเนี่ยเช่นคนพูดดีๆกับเรากลิ่นหอมหอมที่เราได้กลิ่น ได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงอะไรที่เป็นธรรมชาติเราคิดว่าอันนั้นจะเป็นเครื่องหมายแห่งความดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราบางคนก็ถึงนหน้าว่าเป็นเรื่องงามยามดีฉันตื่นเช้ามาได้ยินเสียงนกร้องจิบจิบมีกลิ่นหอมเข้ามาทางหน้าต่างกลิ่นดอกไม้แม่คิดว่าวันนี้มันจะเป็นวันที่เฮงเป็นวันที่ดีแต่นั้นมันเป็นแค่เวทนาที่มีความรู้สึกที่เป็นสุขเท่านั้นเองมันมยังไม่ใช่เรื่องดีหรือเรื่องร้ายอะไรสรํารายถ้าเราไปเพลิดเพลินในเวทนานั้น อันนั้นเป็นความโชคร้ายไม่ใช่โชคดีไม่ใช่นิมิตหมายที่ดีแต่แต่ความดีความโชคดีเนี่ยมันอยู่ที่หลังจากภัสสะที่เกิดขึ้นมันอยู่หลังจากเวทนาที่เกิดขึ้นเวทนานั้นเป็นสุขอะถ้าเราไม่เพลิดเพลินในสิ่งนั้นนั่นเป็นความโชคดีเป็นนิมิตที่ดีเป็นเครื่องหมายที่ดีที่เกิดขึ้นที่ชิวเราในทางตรงกันข้ามฝังตื่นเช้ามาคุณได้กลิ่นขยะตื่นเช้ามาคุณได้ยินข้างบ้านเถียงกันด่ากันตื่นเช้ามาทําไมมันปวดขา ปวดหลังนคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องโชคร้ายเป็นเครื่องหมายที่ไม่ดีเป็นลางร้ายชีวิตฉนจะเป็นอะไรหรือไม่อันนี้มันคนละเรื่องกันแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นแค่ผัสสะที่เกิดขึ้นเป็นแค่ภัสสะเป็นเวทนาที่เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันยังไม่ได้เป็นดีมันยังไม่ได้เป็นร้ายอะไรหรอกมันจะเป็นร้ายในยสิถ้าบอกว่าเรามีความขยะขแข็งไม่พอใจผูกโกรธมักโกรธในภัสสะต่างๆ่เหล่านั้นจิตใจคุณมัวทันทีแต่ถ้าเผื่ว่าเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจ เป็นกลิ่นขยะเป็นเสียงที่ไม่น่าพอใจเป็นความเจ็บปวดอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายแล้วเรามีสติเห็นความไม่เที่ยงของมันมีสติในการที่จะพิจารณาให้ใจของเราไม่ไปยินร้ายในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเป็นความโชคดีเป็นนิมิตที่ดีทัางผู้ฟังเป็นนิมิตที่ดีที่เกิดขึ้นในจิตของเราเป็นกรรมดีที่เกิดขึ้นที่จิตของเราแม้ในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอันนี้ดีขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งนะ เห็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์ได้ผัสสะ ท, ที่ไม่น่าพอใจก็ทํานิมิตหมายที่ดีให้เกิดขึ้นในจิตได้ทําความเป็นมงคลทําความดีงามให้เกิดขึ้นในจิตได้อันนี้ดีดีขึ้นมาอีกแต่แม้เจอความรู้สึกที่เป็นสุขเจอสิ่งที่น่าพอใจก็ไม่เกลือกลัวลุ่มหลงยินดีเพลิดเพลินในสิ่งนั้นแต่ตั้งสติของเร า, เาไว้ตั้งสติของเร า, เาไว้ในการที่จะเห็นสิ่งที่มากระทบ ที่เป็นภาษาที่น่าพอใจนั้นด้วยใจที <contributed. S 2> <t Cuando S 1> ่มีสติโดยใจที่มีสติที่เราตั้งเอาไว้ในกายนี่แหละเพราะว่ากายของเราตําือฝังกายของเราก้อนนี้แหละกายของเราที่จับต้องได้นี่แหละมันเป็นที่ที่จะเกิดความรู้สึกที่เป็นสุขก็ได้มันเป็นที่ที่จะเกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็ได้ในกายนี้รับรับรู้สุขบ้างเรารับรู้ทุกข์บ้างผ่านทางหูบ้างผ่านทางกายบ้างผ่านทางตาบ้าง ก็กายนี่แหละที่มีความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นดูสิว่าไอ้กายที่มันมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาหรือไม่ไอ้ความรู้สึกที่เป็นสุขและความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายของเรานี้บางครั้งมันก็เกิดบางครั้งมันก็ไม่เกิดบางครั้งมันก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างสุขบ้างทุกข์บ้างที่มันเกิดขึ้นในกายกายเรามีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาแล้วความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามที่เกิดขึ้นนใกาายเร มันจะไปเที่ยงได้อย่างไรกายอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขอันเป็นที่ตั้งแหงความรู้สึกที่เป็นทุกข์กายนี้ก็ไม่เที่ยงสิ่งที่มาตั้งอยู่บนกายที่ไม่เที่ยงนี้มันจะเที่ยงได้อย่างไรเป็นคำถามที่ถ้าเราพิจารณาให้ดูจริงๆแล้วเราจะไม่ได้คำตอบที่ใช่แต่เพราะว่าคำตอบคือไม่ใช่มันไม่เที่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเรื่อง ยิ่งใหญ่เรื่องที่แบบจะเป็นจะตายให้ได้เลยแต่สุขก็ตามทุกก็ตามเนี่ยแต่มันเกิดบนกายที่มันไม่เที่ยงแล้วมันจะไปยิ่งใหญ่มันจะไปจะเป็นจะตายได้ยังไงเพราะไอ้ของที่มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะสนใจของที่มันไม่เที่ยงนะบุฟังของที่มันไม่สามารถจะพึ่งได้ของที่มันไม่สามารถที่จะไปคาดหวังอะไรกับมันได้เนี่ยแล้วเราจะไปคาดหวังเห็นความยิ่งใหญ่ของมันเนี่ยมันไร้เหตุผลสิ้นดี เออถ้าเผื่อมันมีอะไรสักใอย่างหนึ่งที่มันเจ๋งนะดีนะพึ่งได้นะมั่นคงนะมีหลักฐานมีที่ตั้งที่มั่นจริงๆเราเห็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเออนี้ค่อยมีผล ห, หน่อยแต่อะไรที่มันพึ่งไม่ได้เหยาะแย่ปวกเปียกเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยมาก็มาไม่มาก็ไม่มานะเปลี่ยนแปลงไปเป็ี่นแปลงมากนี้เราจะไปเห็นสาระสาคัญของมันได้ยังไงมันเป็นเรื่องไรสาระสินดี เป็นเรที่เราจะไม่ควรจะต้องเข้าไปแคร์ไม่ต้องเข้าไปสนใจไม่ต้อไปยุ่งเกี่ยวกับมันเพราะความที่มันไม่เที่ยงสุขมันเที่ยงที่ไหนล่ะทุกข์มันเที่ยงที่ไหนล่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวร้ายบ้างรถขยะขับผ่านก็เหม็นไว้ในตือนเช้าหน่อยดอกไม้บานเอาก็หอมเดี๋ยววันนี้มีคลื่นความเย็นมาจากประเทศจีนมันก็เย็นเดี๋ยววันนี้มีดาจ้าหน่อยมันก็ร้อนมันก็เป็นอย่างนี้ ไอ้ของที่มันเป็นอย่างนี้เราคิดว่ามันจะไปเป็นสาระสําคัญเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องจริงจังเป็นเรื่องที่เราจะไปคาดหวังฝากความหวังกับในสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันไรสาระไรสาระสิ้นดีอย่ามาพูดอย่ามาเถียงเลยว่ามันจะเป็นจริงเป็นจังเพราะมันไม่เที่ยงอะไรท่านผู้ฟังที่มันจะสามารถต้านกระแสนี้ได้กระแสนี้พัดไปนะกระแสความไม่เที่ยงนี้พัดไปวุน่นวุ่นไปพัดไปแล้วอยู่อย่างนี้ตอลอดเวลาตื่นเชา้ามาพระอาทิกตก บางคืนพระจันทร์ก็เต็มดวงบางคืนมก็เป็นเสี้ยวหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้แต่อะไรที่มันจะไม่เปลี่ยนเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องจริงจังเรื่องที่ไม่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาคำตอบอยู่ต่อหน้าเราจะมาฟังนั่นคือธรรมะนั่นแหละจึงมีคำที่ท่านกล่าวว่าเห็นทุกข์จึงเห็นดำเพราะาบางทีเราลืมไปตอนที่เรามีความสุขจึงต้องมีทุกเขเวทนามาคอยเตือนเรา เป็นเตวะทูต ท, ที่จะมาในรูปของความเจ็บไข้บ้างมาในรูปของความแก่บ้างเป็นเทวะทูต ท, ที่จะมาในรูปของการสูญเสียคนที่เรารักบ้างมาในรูปของความตายบ้างเพราะบางทีเราเจอแต่ความสุขแล้วเราลืมไปจึงต้องมีความทุกข์มาช่วยให้เห็นธรรมะธรรมะนี้ก็คือสตินั่นเองเวลาที่เราเจอความทุกข์ที่เป็นทุกขเวทนาเราตั้งสติขึ้นนั่นคือเราเห็นธรรม นั่นเป็นบุญและขก็อีกนั่นแหละจึงมีคำที่ท่านกล่าวว่าความรู้สึกที่เป็นสุขคือสุขเวทนาก็เป็นทุกข์เพื่อเป็นการที่ให้เรารู้ว่าตอนที่เรามีความสุขเราก็เห็นธรรมะคือมีสติได้อย่าลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาในความรู้สึกที่เป็นสุขนั้นเพราะความรู้สึกที่เป็นสุขคือสุขเวทนานั้นก็เป็นความทุกข์เหมือนกันเพราะมันไม่เที่ยง สุขและทุกข์คือเวทนาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรมรมดาท่านพูดทิศกล่าวเอาไว้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองกล่าวเอาไว้ว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมกล่าวเอาไว้ว่าความรู้สึกที่เป็นสุขคือสุขเวทนาก็เป็นทุกข์ธรรมะที่เกิดขึ้นนี้เป็นบุญเป็นบุญที่จะนำชัยชนะเหนือปัญสะต่างๆทั้งสุขและทุกข์ได้ บุญที่จะนำชัยชนะจากการที่จะทำให้เราเข้าไปเกลือกลั้วถูกทําให้เป็นธาตุให้เราเข้าไปยินดีในสิ่งที่เป็นสุขบุญที่จะนำชัยชนะจากการที่จะทําให้เราเข้าไปเกลือกลัวถูกทําให้เป็นธาตุให้เข้าไปยินร้ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ถ้าเรามีสติตั้งขึ้นไว้เป็นธรรมะเป็นบุญเราจะไม่มีความเห็นเลยว่าความสุขนี้เกิดขึ้นแล้วกับเราเวลาที่เรามีสิ่งที่เป็นสุขเกิดขึ้นเราจะไม่มีความเห็นเลยว่าความสุขนี้ดับหายไปแล้วจากเราเวลาที่เรามีความทุกข์เกิดขึ้น แต่เพราะว่าถ้าเรามีสติอยู่เวลามีความสุขเกิดขึ้นเราจะรู้ว่านี้เป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาของมันมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเวลาความสุขดับหายไปมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าโอ้สุขเวทนาดับไปแล้วทุกขเวทนาเกิดขึ้นแทนแต่เราจะมีสติรู้อยู่ว่าทุกขเวทนาก็เป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนี่คือสติสติที่เราตั้งไว้แล้วนี่แหละ เนเรื่องสําคัญสติที่เราตั้งไว้แล้วนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้เกาะได้จับได้ใช้ได้ในการที่เราจะไม่ให้ถลายถลา่าไปตามกระแสของความสุขกรขึ้นขึ้นของความทุกข์ลงลงแล้วเราเกาะตรงนี้เอาไว้เลยเกาะธรรมะอาไว้ใช้ธรรมะเป็นตีพึ่งธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนี่แหละธรรมะนั่นก็มาจากพุท ธ, ธมีการปฏิบัติดีมีการปฏิบัติชอบก็เป็นสังขะ เอาพระพูดพระธรรมพระสงร์นี่แหละเป็นที่พึ่งในบังฟังเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่เราจะพึ่งได้เป็นเรื่องที่เราจะจับช่วยได้เป็นเรื่องที่เราจะใช้เป็นเกาะในการจับใช้เป็นทั้งเกราะในการป้องกันป้องกันจากอะไรป้องกันจากความยินดีที่มันจะเกิดขึ้นในความสุขป้องกันจากความยินร้ายที่มันจะเกิดขึ้นจากความทุกข์สุขทุกข์มันเกิดขึ้นแน่สุขทุกข์มันเกิดขึ้นแน่ใช้เป็นเกราะด้วยป้องกัน ใช้เป็นเกาะด้วยเป็นที่จับไม่ให้เราทล้าไปตามความสุขที่มันจะไปจุดจบที่ความเพลินคือความยินดีเอาเกาะเอาไว้ไม่ให้เราทล้าไปตามความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่มันจะจบอยู่ที่ความยินร้ายเป็นความผูกโกรธความมักโกรธความไม่พอใจไม่ให้เป็นอย่างนั้นเกาะเอาไว้ใช้ธรรมะนี่แหละเป็นทั้งเกาะด้วยเป็นน้งเกาะด้วยในการที่เราจะป้องกันจิตของเราไม่ให้มันวันไวตามกระแส ของตันหากระแสของอวิชาที่มันพัดซายอยู่นะทุกๆวันนี้กระแสนี้พัดมาทางโทรศัพท์มือถือบ้างตามสื่อเครือข่ายสังคมต่างๆ่านงะมาตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์มาตามสายโทรศัพท์มาตามข้างบ้านพวกนี้เป็นกระแสที่พัดมาทั้งสิน้นเราได้รับกระแสอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเราจึงต้องมีที่เกาะที่พึ่ง ท, งที่ระลึกถึงในะที่เกาะที่พึ่งที่ระลึกถึงนี้จะไม่หวั่นไหว จะไม่เปลีป่ยนแปลงไปตามกระแสะของราคะโทสะโมหะทงทะมุฟังยอดทงยังวันไหว บ, บึบๆตามกระแสะตามแรงลมแรงลมที่พัดมายอดทงก็ยังหวันไหวจิตของมนุษย์ที่ยังมีราคะโทสะโมหะมีตัณหาพัดมาเป็นกระแสะจิตมันก็ยังวันไหวด้วยอำ น, นาจของราคะโทสะและโมหะให้เรามีธรรมะเป็นยอดทงมีธรรมเป็นอธิปไตย มีธรรมะเป็นยอดธงเราเห็นยอดธงคือพุทธะธรรมะสังฆะปักเอาไว้เลยในใจเรามีธรรมะเป็นยอดธงมีอะไรพัดมาเราไม่หวั่นไหวได้ด้วยฉิที่มีสติตั้งขึ้นเอาไว้เจอสุขบ้าก็มีธรรมดาอย่าให้มีความยินดีกำหนัดเพลิดเพลินในสิ่งนั้นให้มีที่เกาะไม่ไหลไปตามกระแสของความสุขโดยเกาะธรรมะเอาไว้มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ ก็อย่าให้มีความโกรธเกลียดผูกโกรธมา ร, ร้ายอาฆาตป็นเป็นผลของความยินร้ายที่จะเกิดขึ้นแต่ให้มีเกาะนะเกาะสติเอาไว้นี่แหละมีสติตั้งขึ้นเอาไว้เห็นความไม่เที่ยงในความรู้สึกที่เป็นสุขเห็นความไม่เที่ยงในความรู้สึกที่เป็นทุกข์เราเห็นอยู่ยางนี้ทำให้ฟังสบายใจได้เลยสุขเราก็อดทนได้ทุกข์เราก็อดทนได้คุณอดทนต่อความสุขได้นะแม่มันเยี่ยมจริงๆคุณอดทนต่อความทุกข์ได้นะไม่ใช่ว่าคนธรรมดาก็จะทํากันได้นะ อดทนต่อสิ่งที่อดทนได้ยอยา่างนี่คือความมาชาในคือจิตใจที่มีความห้าวหาญมีความกล้าหาญเป็นผู้เด็ดเดีเด่ยกวแก้วกลา้าโดยธรรมคนที่มีจิตใจอย่างนี้ตัวเล็กๆแขนขาอาจจะไม่มีกําลังอาจจะนอนอยู่บนเตียงก็ได้ชั่วจิตใจคุณมีพลังมีความแก่กล้าของอินทรีย์ในจิตแต่ตัวร่างกายไม่ใช่เรื่องสําคัญคุณอาจจะมีกล้ามเป็นมัดๆก็ได้จิตใจก็เข้มแข็งได้จิตใจที่เป็นแบบนี้หละกมุง่งหวังเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกปฏิบัติ ให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านขับรถอยู่ทำอาหารทำกับข้าวพูดคุยอยู่กับใครจิตใจนั้นมีทำมาได้ธรรมชาพระมหาภัยบุญอภพพิปุโนจากวัดป่าดอนไอโพุพเจริบ้าน